วิธีทําสมาธิสําหรับนักเรียนนักศึกษามีลูกมีหลานกำลังเรียนหนังสือไปบอกเขาทำเวลาเข้าห้องเรียนอาจารย์มาสอนให้มองจ้องที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่นเอาแค่นี้แหละลูกหลานเราจะเรียนเก่งขึ้นถ้าปฏิบัติต่ตอเนื่นกันทุกชั่วโมง สามารถรู้จนกระทั่งข้อสอบล่วงหน้ากฎธรรมชาติมีอยู่ว่าอาจารย์สอนเราท่านรวมกำลังจิตและวิชาวความรู้จะถ่ายทอดให้เราอย่างตรงไปตรงมาถ้าเราเอาใจใส่จดจอ่อจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์เราก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตจากอาจารย์รวมทั้งวิชาวความรู้ด้วยที่นี้ผลปรากฏที่เขาไปปฏิบัติในช่วงแรกเนี่ย สายตาจ้องที่อาจารย์เขมงแล้วพอออกจากอาจารย์มาไปเห็นอะไรมันจ้องเอาจ้องเอาจ้องเอาตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวไปจ้องคนผิดเข้าภายหลังมาเนี่ยสายตายังจ้องอาจารย์แต่จิตมารู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวมาตอนนี้อาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านหยุดหายใจเขาสามารถรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไร เวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตมันว่างลงนิดหนึ่งคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาไม่ต้องใช้ความคิดบางทีนี่พอก่อนหน้าจะสอบจิตมันจะบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกตรงนี้แล้วก็เลยไปเที่ยวบอกเพื่อนฝูงให้ดูหนังสือพอข้อสอบออกมาตรงตามที่เขาบอกถูกกล่าวหาว่าไปแอบได้ข้อสอบรั่ว จ, จากอาจารย์มายัางมาบ่นให้ฟังว่า เนี่ยทำคุณบูชาโทษมาตอนสุดท้ายแกเรียนปริญญาโทจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมปริญญาโทก็ได้เกียรตินิยมซึ่งเดิมแกเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งด้วยทีนี้ตอนไปสอบแข่งขันไปเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ข้อเขียนผ่านไปยังเหลือแต่สอบสัมภาษณ์วันสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขานั่งอยู่ที่บ้านเขา วันนี้จะถูกสัมภาษณ์เรื่องอะไรคำถามโผล่ขึ้นมาคำตอบก็ผุดขึ้นมารับรู้ล่วงหน้าหมดทุกข้อเลยพอไปถึงสถานที่สอบกรรมการถามปับ๊บตอบปุ๊บถามปับ๊บตอบปุ๊บจนกระทั่งกรรมการแปลกใจเขาก็เลยถามว่าทำไมหนูถึงได้เก่งนักเธอตอบว่าหนูเก่งยังไงจะไม่เก่งยังไงพอราถามจบปับ๊บหนูตอบได้ทันที คล้ายๆกับว่าไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเขาก็บอกว่าหนูรู้มาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วว่าท่านจะถามอะไรว่าทำไมถึงได้รู้อ่ะหนูฝึกสมาธิไปฝึกสมาธิในสำนักไหนตาหนูสอนให้ฝึกในห้องเรียนหนูเริ่มฝึกมาตั้งแต่เรียนปริญญาตรีจนจบปริญญาโทตาหนูเป็นครุษหัสหรือเป็นพระเป็นพระหลวงตาพุท ธ, ธานิโยอ่มีหน้าหลาหลวงตาพุทธมันถึงได้เก่งเหมือนอาจารย์ เขาว่าเดี๋ยวนี้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกาแล้วได้ทุนมหาวิทยาลัยไป